การทกันเถอพวกเราการพังทลาก็คือการบอกเรื่องของตัวเราในเลยมารู้จักตัวเรามีอะไรที่มันทำให้มีประโยชน์อะไรทไี่มันเป็นโทษเกิดจาก ตัวเรานี่เองตัวเรานี่ก็คือกายคือใจหนีไม่พ้นจากกายจากใจท้่มันมีอาการต่างๆแสดงออกมามากมายถ้าเรามารู้จักสิ่งที่มันสแสดงออกมาเั็นคืออะไรก็ เป็นพาละเป็นทุกข์เป็นโทษได้ก่อนที่จะลูกจกักตัวเองก็มีสติเป็นเกณฑที่วัดบอกผิดบอกถูกตั้งสติไว้เหมือนศูนย์เั้นต่อช่างชั่งวัดต่อตังตง ตั้งต้นที่ศูนย์ก็จะได้เห็นเหตุผลที่มันเกิดขึ้นมาใช่สิ่งที่มันเกิดขึ้นโดยความถูกต้องอะไรที่มัเกิดเกับกายกับใจแต่มาตั้งกับที่ศูนย์อยู่เสมอคือสติมันจึงจะลงตัวเป็นความถูกควารถูก ต้องมาตั้งอยู่ที่ศูนย์คือสติก็ลงตัวได้เห็นว่านี่คือสุขคือทุกข์เกี่ยวกับความสุขความทุกข์อย่างถูกต้องถ้ามีศูนย์เป็นที่ตั้งมีสติเป็นที่ตั้งเราก็จะรูกจก่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเมื่อตั้งอยู่ที่ศูนย์ มีหลักฐานมีข้อมูลที่ถูกที่ผิดอยู่กับตัวเรานี่การที่เราเห็นถ้ามีสติเห็นอาการกต่างๆที่มันเกิดขึ้นมานนมันลงอยู่ที่ศูนย์มันเป็นคำตอบไปในตัวถูกผิดจังเลยเราจึง ไ, งไป สร้างสติประกอบสติให้มันเกิดขึ้นเพื่อจะได้ใช้ให้มันลงที่ศูนย์อยู่เสมอถ้าไม่มีสติมันก็ไปลงที่อื่นสุข ก, ก็เป็นสุขไปสาทุกข์ก็เป็นทุกข์ไปซาโกรธก็เป็นโกรธหลงก็เป็นหลงไปทั่วๆไปมันก็เลยผิดฝาผิดนังไป ว่าใช่ผิดก็ไม่ได้คําตอบไม่หลงตัวสักตรีชีวิตไม่หลงตัวเอาเรื่องที่เกิดกับวายใจมาเป็นสุขเป็นทุกข์เราจึงมารู้จักตัวเองกันเถอความมีความหมอยการไม่รู้จักตัวเองเนี่คือการสร้างบุญล่ะเนี่บุญคือความรู้บุญคือสติปัญญาที่มันรู้ความเท็ความจริงที่มันเกิดกับกายกับใจเรานี้ จึงจะช่วยให้ไม่ตกนรกไม่เป็นเปรตไม่เป็นสุรกายไม่เป็นสัตว์แต่าะชานไดเพราะมันรู้มันเป็นบุญรู้ผิดก็ไม่ทำผิดรู้ทุกข์ ก, ก็ไม่ทำทุกข์รู้ถูกก็ทำถูกไปก็ใช่ได้กายของเราใช่ได้ในความสำเร็จในการทำความดีใจก็ใช่ได้ทำความดีด้วยความสำเร็จ ม, มันลูกมาลูกก็ใช่ถูกมันดูแลรักษาเป็นตัวเสร็จอดูแ ล, ลกายใจคุม้มอยู่ตลอดเวลาคือการปฏิบัติธรรมถ้าตัเลกายใจมันคุม้มมันก็เกิดเป็นศี้นขึ้นมารักษากายรักษาว่าใจราักษาใจให้เรียบร้อยอยู่เสมอ เมื่อรักษากายว่า จ, ะจาะใจให้เรียบร้อยอยู่เสมอมันก็มีกุศลมีอนิสงส์ที่มันเป็นสุขมากมายอ น, นิสงส์ของความรู้ตัวเองเนี่ไปไกลเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญามันเกิดจากภาวะที่รู้ตัวเนี่ยตัวสติเนี่ยแต่ถ้าไม่มีสติศีลก็เกิดขึ้นมาได้ศีข้าเกิดขึ้นมาได้ ถ้ามีสติชิขาจึงเกิดขึ้นได้มันมีที่เกิดเหมือนกันเราจึงมาตั้งต้นตรงนี้กันอย่าคิดว่ามันลำบากมันยากมันเป็นการควกชอบทําที่สุดการมาเจริญสติเพื่อดูแลตัวเองเนี่ยมันผิดตรงไหนเราปวเองทิ่ไปที่ไหนให้เป็นสุขเป็นทุกข์อย่างไรไม่รู้จักช่วยตัวเอง นี่มะแล้วดมช่วยตัวเองแท้แท้น่ยจะได้ดูแลให้มันปลอดภยัยมันมีที่จะต้องดูแลอยู่มากมา้อยเกิดขึ้นกับกายกับใจนี่หลายอย่ามันคืออะไรเกี่ยวข้องกับมันได้แค่ไหนเพียงไรถ้ามีสติจะรู้จักใช้รู้จักตั้งที่มันเกิดขึ้นมาคืออะไร นี่แหะคือปัญญาคือบุญอนะหไรถ้าผิดก็จะตื่นเรือล้นในการแจ้ขายถ้าถูกก็จะต้องทําไปที่เจริญงอกงามรวมถูกต้องที่เป็นประโยชน์ต่อกายต่อใจสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อกายต่อใจคือไม่เบียดเบียนกายไม่เบียดใจไม่บิดเบียนคนอื่นสิ่งอื่นวัตถุอื่นมีลักษณะของการตัดสินให้เป็นคนตัดสิน เราเองตัดสินเพราะว่ามีสติดีเหมือนกับพระธรรมวน่อยว่าลักษณะตัดสินของธรรมวินยัยมันช่ปามคา่ะไม่ใช่คการรักษาเรารักษาตัวเราจะปลอดภยัยเนี่ยมีสติอยู่นี่มาอะไรจะเกิดขึ้นมาก็มามันมีอะไรบ้างที่ไปเกิดขึ้นกับปากกับใจมาทางไหนที่ได้ สติเป็นทวารโลกตทวาหน้าโลกนี่เป็นผู้มีหน้าโลกอยู่เสมอไม่เหมือนหน้าของตู้ของกอยเหมือนตามไปทางเดียวไปทางหน้าทางหลังมันก็ไม่เห็นถ้าสติมันเห็นเป็นหน้าโลกผู้มีสติเป็นหน้าโลกจนไม่เผอสัก ทั้งเดียวเลยปกติอยู่ตลอดเป็นดิสเน่เอาฝึกได้อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นพระอาหารหันต์ได้พระอหันต์เป็นผู้มีสติเป็นหน้าโลภลองมาสร้างคุณธรรมอันนี้เกิดขึ้นกับตัวเราก็ได้จริงๆเป็นปัจจจตังจริงๆไม่ต้องรอสัมผัส ด, ด้วยตนเองพลิกมือขึ้นก็รู้เฉดเดียวยกมือขึ้นก็รู้เฉดเดียว มันได้ความรู้สึกมันสัมผัสความรู้สึกมันทําได้อย่างนี้ว่าปฏิบัติได้ให้ผลได้คือทำมานี่ไม่ใช่ปฏิบัติไม่ได้ทุกคนทําได้ยกมือขึ้นก็ลู่ยกมือขึ้นก็ลู่เอาเลยว่าลู่นอกจากนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เลยอย่าไปอ้อดื่นเมื่อเป็นตัวลู่เมื่อแย่งไปความทุกข์มาแย่งไปความ คิดมาแย่งไปความอะไรต่างๆมากงายเทียมแย่งไปเราก็สามารถกลับมาได้กลับมาได้มาตั้งอยู่ตรงนี้สิทธิของเราร้อยเปอร์เซหัดกลับมาลู่สักตัวหัดกลับงานสัก ก, การนกับมาทุกครั้งที่มันไม่ใช่สติมันจะเกิดความเป็น ช, ชำนี้ชํานาญเป็นศาสตร์เป็นเศษขึ้นมาไม่ใช่จะมาหัดกันอยู่มันก็ลู่มันก็สะดวกก็เป็นแล้ว ถามันเป็นะมันเป็นดัตตรงมัดในตัวมันเองของที่มันเป็นดัตตรงมัดนี่มันมีอยู่ในกายในใจเรานี่มาแช่หวาตัวสิของมาเป็นเจ่งชื่อวัดจอมผัดได้กระทุกคนทุกชีวิตนี่มันเป็นกรอบเป็นกรรมของศักดิ์สิทมันเป็นคองกินสติที่มีในกายสติที่มีในจิตใจเนี่ย กายมันก็มีจริงๆใจมันก็มีจริงๆรตะวันของกายเยอะๆตาหูจมูกลิ้นใจตะวันของใจคือมันคิดอารมณ์ต่างๆมากมายกิเลสพันห้ตระหนักรอยแปดเกิดอยู่ที่ใจเป็นอารมณ์เป็นอาการต่างๆที่มันโจรหมอนะาไม่มีมสติเป็นเจ้าของเถื่อนเนาะกายก็เถื่อนใจก็เถื่อนเขาหอบพิวไปไหนก็ได้ เร า, าหลพเลยพูดอยเสมอว่ากายก็เป็นโสเพณีใจก็เป็นโสเพณีย่อมสอนคิดอะไรก็ได้มันจะมีประโยชน์ลายลำไม่กายไม่ใจได้ประโยชน์จากกายไหมประโยชน์จา ก, กจิตใจไหมหรือเอามาเป็นทุกข์เป็นโทษเอาเรื่องกายมาเป็นทุกข์เป็นโทษเอาเรื่องใจมาเป็นทุกข์เป็นโทษให้กายให้ใจเป็นสังกาน สังการให้ทุกได้ให้สุขก็ได้ให้โกรธให้โล่งก็ได้ทุกเรื่องทุกเหล่ามันใช่ผิดเพราะไม่รู้เขาจึงผิดยอมรับทุกอย่างตามตามมันทุกอย่างจนเถื่อนไปเลยเป็นเป็นคนอนิจจังจนคนอนิจจังไปคนเลื่อนลอยไม่มีหลักไม่แรง ขุมร้อยคมดีเขาหอบพิ้วไปไหนก็ไปคนอนนี้จังผัวเป็นคนไหนจังเมียก็พิ่งไม่ได้เมียเป็นคนอันนี้จังหัวก็พึ่งไม่ได้พ่อแม่คนไหนจังลูกก็เพึ่งผ่าไม่ได้ลูกตัวเป็นคนอนนี้จังพ่อแม่ก็เพึ่งไม่ได้ทัวเราเป็นแต่อนนี้จังเพึ่งได้ตรงไหนอตาหิอตาโนลาโถตนตัตถถตนแหลเป็นที่พึ่งของตนพึ่งได้ตรงไหน เราควรเจ็บมาดูแลตัวเองท่นผิดตรงไหนปฏิบัติธรรมเนี่ยมันยากอะไรน่าจะกระตรุยเรือล้นงมอยุทับมาดูแลตัวเองด้วยฝึกมาลงสนามเฝึกตนเองเท้ๆได้ประโยชน์ได้ประสบการณ์กับตัวเรานี่ อ, อตั้ง ว่าอย่างนี้เอาละเอาละเาทำตรงนี้ทำตรงนี้มันก็มีอยู่ตรงนี้เพราะว่าผู้ที่คุยทางมาเปิดสิ่งที่ปิดออกหนอยของตีปวามขึ้นไปให้แล้วคือพระพุทธเจ้าเราก็มาไปสม 4, สี่สมหา้าสมหอสอะไรต่างๆด้วยความยากลำบากนี่เขาคือประเทศไทย วัดในวัดแบบไทยๆจาสนาก็วิธีปฏิบัติก็แบบไทยๆประสงค์ก็แบบไทยๆมีอยู่จริงสมผัาได้จริงนี่เพื่อนมีมิตรจริงๆเราเ่อเล้น่าจะสะดวกไม่ใช่เป็นความยากลำบาก เราจึงสร้างสอนเตืองขึ้นมาให้มันได้ไประสบการณ์ได้บทเรียนจากการจากใจของเรานีมีสติถ้ามีสติล้วก็ใช้สติได้ทุกโอกาสไม่ต้องยกมือสร้างจังบวะไม่ต้องเดินจงกรมมันฝึกแล้วมันรู้แล้วมันเป็นแล้ว สอนตัวเองให้เป็นแล้วแม้แต่เรียนลูกการเรียนลูกก็มีมหาวิเลยสอนแล้วก็มีความรู้กับท้งนั้นเป็นปัญญาชนทั้งนั้นที่ตั้งอยู่ที่นี่แต่การสอนในลูกไม่มีใครสอนเราได้ไม่มีมหาวิเลยสอนมีแต่เราเนี่แหละสอนตัวเราเองมันหลงสอนให้มันรู้ เราผิดชอบตรงนี้มันทุกข์สอนให้มันรู้มันมีอะไรเกิดขึ้นออกับปากับใจสอนให้มันรู้เนี่ยจะปล่อยตัวเองทิ้งยางไงข้าคนเราดีอยู่ตรงนี้มนุษย์มันพัฒนาได้ตรงนี้แต่มาพัฒนาตรงนี้มันก็ไม่เป็นมนุษย์แล้วมันอาจจะร้ายกว่าสัตว์ที่ระฉานเห็นข้ากันมีสตาวุธมีสมอง สร้างลูกระเบิดขึ้นมาเป็นเสนล้านบาทระเบิดทำลายควอนจิตปดเม็เก้าเมต่งแพงขึ้นมันมีสมองอย่างนั้นทำให้ลำบากพวกเราก็ลำบากรลองประเวระเบิดประมามนุ่งอสไต่งางๆมันมีสมองก็เฉินฆ่ากันทำลายกัน ไปดูหินล่องก้าจังบวัดเพชรบุรีสมัยคอมมนิส น, น่ะไปดูหินล่องก้าเขายิงภูเขาลูกพังไปเลยเป็นรอยอยู่นั่งรถไปเป็นร้อยขิบหายไปหมดเลยอะไรมาค่ากันอ่า น, นปัญญาเลย ปัญญาทำลายกับปัญญาต้องมาช่วยกันเช่นปัญญาพุทธะเนี่ยมีปัญญาพุทธะเกิดความรักเกิดเมตตากุณาขึ้นมาพระพุเจ้าเป็นยอดนักรักที่สุดในโลกร <c oughs> ักตัวองก็รักคน อ, อื่นได้องค์ธิมานจับดาบไล่ฟันอยู่ยังคิดรักองค์ธิมา น, านคิดจะช่วยอยู่เสมอ แม้กระทั่งวิ่งไปก็ยังคิดจะช่วยอยู่เขาเจะไล่ฟันเราแท้ๆยังคิดจะช่วยเขาอยู่มีมนุษย์ตรงไหนคนไหนที่เป็นอย่างนั้นเขาศาสด า, าของเราคุณเจ้าเนี่ยขนาดนั่นแล้วเออย่างอะไรมาเป็นแบบอย่างจากสามนชนทําได้อย่างนั่นนะเราก็คนหนึ่งอ้โน่นที่ยุบเบือยกติ้วเห็นเลยเอาละเราเนี่เป็นลูกของพ่อของแม่ รู้ของพ่ อ, อแมก็ดีเจ้าธรรมความดีแล้วก็มั่นใจนี่เรามีครบถ้วนแล้วมนุษย์สมบัติแล้วสร้างสติก็ได้ถ้ายกมือขึ้นรู้สึกตัวพลิกมือขึ้นรู้จึกตัวก็ใช่ได้แล้วหน่อโพธิเกิดตรงนี้แล้วให้ประกอบขึ้นบ่าให้มันมากขึ้นมากขึ้นเก็บไม่ได้เก็บอารมณ์ก็เจ็บกวมรู้สึกตัว อะไรที่ไม่ใช่ความรู้สึกตัวเก็บอารมณ์มาเป็นความรู้สึกตัวคือเจ็บอารมณ์เข้มก็คือเข้มเรื่องนี้ไม่ใช่เข้มแบบอื่นไม่ใช่เวลาไม่ใช่สี่ิบวันไม่ใช่เจ็ดวันวันมากาหนดไม่ได้ต้องมีความรู้สึกตัวกาหนดรู้ไปตามวั น, วนเวลามันก็มีประโยชน์ถ้าไม่รู้ก็ ม, มีประโยชน์สี่สิบวันไม่มีประโยชน์เลย มันจะมีประโยชน์ตัวเมื่อเราลู่จักตัวรู้จักตัวสนุกนะตอนยกทับมาช่วยใจมันสนุกโดยเปลี่ยนผิดเป็นลู่ได้เปลี่ยนทุกได้เปลี่ยนอะไรเป็นลู่ทั้งหมดเด้อู้จักตัวทั้งหมดลงตัวทั้งหมดเลมันโตวันโตขึ้นขึ้นมามากด้กวยความรููจักตัวเล เ, เกิดอลไรขึนมากมายเป็นกุศลเกิดตรงนี้ แต่บุญก็เกิดตรงนี้คขอมรู้จักตัวเนี่ยจะไม่ได้ผิดพลาดจะไม่เป็นทุกข์เมื่อรู้จักตัวเราก็รู้จากตัวเราเมื่อรู้จักตัวเราเราก็รู้จักคนอื่นสิ่งอื่นวัตถุอื่นมานเบียดเบียนกันไม่ได้อันอื่นก็เบียดไม่ได้เบียดเบียนกันไม่ได้สงสารตัวเองไม่เคยช่วยตัวเองอายุเกือบสามสิบปีไม่เคยช่วยเหลือตัวเองเลย กางคืนเป็นขวัญกลางวันเป็นเปลวนอนอยู่กับความทุกข์กลาหวันกลาเคืงก็มีความทุกข์ของเราไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนก็มีความโกรธของเราไปทําคนอื่นเดือดร้อนก็มีมันมีทวารความโกรธฆ่าไปตีกันได้เสียเปรียบความโกรธมาหนักแล้วเสียเปรียบความทุกข์มาบ้างแล้ว แล้วถ้าเราปฏิบัติธรรมจนจบลงได้ยืดลงได้ชิ้นเวรชิ้นภัยไม่เวรไมีภัยต่อใครไม่มีเวรไม่ภัยต่อลงชิ้นกรรมหวดกรรแล้วถ้าเราหัดนะอาจจะเป็นขั้งสุดท้ายได้ในไม่นานนี้ยองหลงเป็นขั้งสุดท้ายยอมโกรธเป็นขั้งสุดท้ายความทุกข์เป็นขั้งสุดท้ายได้ ไ่ใช่จะหลงจนตาม่ใช่จะโกรธจนตาม่ใช่ทุกจนตายล่าสมัยแล้วทุกวันนี้นะมันจเจริญแล้วแต่ก็ยังโกรธตั้งทีโ่โลกที่ทุกอยู่คนล่าสมัยไม่มีประโยชน์ลเลยเกิดมาอะไรเป็นของตัวเอาที่ได้สัมผัสได้หมดพัญญาสามีทรัพย์เสี่ย ง, งนทองลือว่าจริงหละเรื่องนัน่นเป็นอาศัย ปัจจัเฉยๆไม่ใช่ตัวจริงของชีวิตที่มีเราจึงใหเ้เป็นประโยชน์กับชีวิตของเรามันได้มาแล้วเนี่ยมีพ้อแล้วในความพ้อมมากทุกสุดจึงพากันปฏิบัติกันเป็นเพื่อนเป็นมิตรกันไม่ผิดแน่นอน ลงตัวที่ศูนชีวิตต้องเป็นศูนย์คือรู่ชิกตัวเนี่ยตั้งต้นที่ศูนเมื่อตั้งต้นที่ศูนย์ก็ใช้ด้านไม่เกะไม่เก็บเมตตามาลงตัวหมดแล้วชีวิตลงตัวชีวิตไม่ลงตัวก็ลเลอะเทอะในใจก็พุ่งส้อน หลังคืนว่าฝันกลงวัดก็ว่าคิดเอาเรื่องของอะไรต่างๆมาปเป็นความคิดเก็บข้อมูลมา ก, กับความคิดทั้งหมดอะไรก็คือเราคือเราทั้งหมดจึงมารีบด่วนจักหน่อยเรื่องนีเป็นเรื่องรีบด่วนไม่ใช่เรื่องรีบด่วนเพราะความคิดด่วนเพราะการกระทามันหลงที่ไหนลู่ที่นั่นคือด่วนที่สุด หลงเป็นหลงทุกข์เป็นทุกข์โกรธเป็นโกรธสุขกป็สุขไม่ด่วนผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกสงบเป็นสงบชอบพอใจไม่พอใจอพอใจไม่พอใจอยู่นั่นวันเนิ่นช้าไม่ด่วนเรียกด่วนก็คืออะไรเกิด ก, กระปากกระใจมาลงที่ความรู้สึกตัวคือความเรียบด่วนเป็นทางสายด่วน เรียกว่าดีมากแล้วก็ทางหลวงที่มันเป็นทางด่วนไอเบทูเบออฟเบฟรีเบใช่ไหมใครเคยไปเคยไปอยู่สไลด์ไหมฟรีเบของสไลดน์นั่ทัว่วประเทศตั้งแต่ตะวันตกถึงตะวันออก ไม่มีวบแดงใบเฉียวอะไรวิ่งได้ตลอดฟรีเวมีรถนั่งอย่างเดียวรถบรรทุกรถสารไม่พิ่งไม่ได้มีแต่รถนั่งรถฟรีเวไม่เคยชนข้างหน้าถ้าชนก็ชนข้างหลังไม่มีอุบัติเหตุใด เนแต่ตัวเองง่วงนอนเอาทางนี่ไม่สะดวกที่สุดแล้วหลับไหนก็จะเอาไปที่เหตุตายคนขับรถหลวงพ่อหลับไหน <c oughs> ลัดมันด่างัดด่าหลวงพ่อฟังไปเลยล้่นหนึ่ง <c oughs> เกิดตายเอ้ยมันทำอะไรมันไม่ตายนะชนหวัวจะพานนะ ส้นหัวสะพานเป่งอะไรเจ๊รูโตัวเอาไม่กระดูกกระดิกแต่ไม่รู้จะ ก, กระทุกบกันอะไรเลยเพรกะมันปึ้งแล้วมันหลบเข้าไปในสะพานนะนหลับในว่าว่าคนเขาบอกโอ้ผมหลบผมหลบสันอนดีตแล้วไม่ตายว่าไปจอดอยู่หน้าบ้านเขาที่นี่หศพแล้วหศพแล้ว 67ก็จะเป็นเราเแล้วอยหลับไหนเป็นค น, คนขับเห็นรถคันหนึ่งมันวิ่งมาเข้าจะพานเหมือนกันนึกว่ามันหลบลกค่อยๆหลีกไปนะไม่ใช่หากวิบนะนึกว่ามันหลบรถเอียบเบียดสะพานต่างคนต่างเบียดสะพานคิดว่าอย่างนั้นที่แจ้งมาไม่ใช่มันหลับไหนเฉล้ว นี่อะไรก็ตามนะหลองตาล่างรถนี่ทั้งวันทั้งคืนไม่เคยหลับนะถ้าเป็นนักขับรถจะเป็นนักขับรถที่ดีที่สุดใช่ไหมเพราไม่หลับในเอแต่คนอื่นมาชนเขาเรื่องหลับใ น, นไม่มีปัญหาเลยดังน้นจึงฝลกกายปลูกใจของตัวเองให้ดีๆจะได้ใช้มัน ไอ้แสของเรานี่ใช้มีประโยชน์มากมายช่วยจึงอื่นวัตถุอื่นก็ได้ทำหน้าจริงจรงช่วยหมดช่วยมแมลงก็ได้อันนี้ตัวเราแท้ก็มชามช่วยตัวเรามาช่วยตัวเราไม่ช่วยตัวเราก็มาช่วยพ่อช่วยแม่มาช่วยปลุกปัญญาชา้ามีโูกหลานเชื่อันบ้านเม่แต่จะเป็นทุกข์เป็นโทษต่อกัน โอ้ยได้ยินอูกไมเมียโอ้ยหลงพ่อโอ้ยอยู่ก็อยู่ปไปางานแหละไม่รู้จะตายวันไหนพ่อขอเป็นคนดูแลโมโล่ามาก็โูวจะข้าจากแกงอยู่เสมอก็ อ, อยู่เนี่แหละมไม่แล้วอยู่ด้วยกันแล้วไม่ลูกไม่หลานแล้วไม่รู้จะตายวันไหนโอ้ยป่านนั่นหรือคนเราเนี่ยสู้นุกขังเขียนไม่ได้ ต๊ะขอเขียนกนลังทารังอยู่แถวกระติหลองพ่อแล้วช่วยกันหาอหามาเลี้ยงลูกตัวผู้เนี้ยมาเขียวเปียกตัวเมียนะใช่ <c oughs> ไหมตัวเมียวิ่งหาอาหารหลายรอบแล้วกลับไปค้ำมาตัวผู้ยังนั่งสอยขนตัวยังอยู่ตัวเมียก็วิ่งมาขึ้นไปจีบ ไปขี่ปาจะเพื่อก็ช่วยฉันด้วยเต็มที่เราเหนื่อยแล้วตัวพวกก็ปบินไปหาอาหารไม่กี่เที่ยวก็มาง่อยขอนมาจับขอนแต่งตัวตัวเองตัวเมียเนี่ยโอ้ยลำบากเขาหญิงอาจจะรลกลูกหมืนอนกับผู้ชายนะใช่ไหม แต่ว่าถ้างูมาตัวผู้สุดคุ้ยสู้สุดฝีมือตัวเมียมีแต่ล้มไม่มีปัจจอย่าใดๆงูเลื่อยมือกระแตมากระลกมาใกาล้ลังมันตัวผู้ต้องสู้เลยโล้มเลยโฉบปงโฉบปงมาถึงแล้วโชบปงมินโฉปงจนตงกระลกหลบหนีไปทางอื่นตัวเมียเนี่ยล้ มันก็รู้นะทำหลังใช้กระ buoy ต, ตักน้ำให้มันอยู่ที่นั่นเลยไม่ใช่กระ b u o พอคนอื่นขึ้นไปกติมันแสวมากแต่เราขึ้นไปไม่แฉลมันก็รู้จักเราช่วยกันดีนะนกเนี่ยเลี้ยงลูกช่วยกันนะทำหลังก็ทำช่วยกัน นั่นเราเนี่ยเป็นมนุษย์เตื่อไปทะเลาะกันทำไม้ไปเบียดเบียนกันทำไม้อยู่เป็นชกเป็นโชกคู่ชีวิตกันหนักช่วยกันหอบอยากช่วยกันดึงหัวถ่อเมยพายหัวเจ็บเมย์กับผู้หญิงเป็นแขนซ้ายผู้ชายเป็นแขนขวาช่วยกันอย่านี้ทำให้กันเป็นทุกข์เป็นทุกขทำไม้ทะเลาะกันทำไม้ ถ้ามีทำแล้วมีสติแล้วทะเลาะกันไม่ได้หรอกไอ่ไม่จะคิดก็ออ้ความคิดม่จะเกิดสันติสุขขึ้นในโลกนี่แน่นอนถ้าเรามีทำในใจิตใจอะไรก็ไม่ทำลายเศ่นดินอากาศป่าไม้แม่น้ำสัตว์สัาวจริงอยู่ร่วมกัน ตอนนี้เขาทำลายทุกอย่างเราก็เดือดร้อนก็จะให้แผ่นดินนี้ไม่มีหญ้าสักต้นก่อมงคนปอบลงไปหมดปลลังก็ไม่มีหญิงห้อยไม่มีช่อเดือนไม่มีขบเขียดไม่มีหลาก็จะไม่มีแล้วเป็นหมือนไปหมดแล้วต่อไปคิ็ดเราก็จะเป็นเหมือนมะม่วงอะไรต่างๆ ไม่ออกลูกต่อไปก็จะหมันไปหมดเลยเราเครจะมาช่วยเพนเดนนี่เราจีวกันยังไงออกจากบ้านก็ไม่ปลอดภัยเชนแล้วเอที่จะจะช่วยกันไปเห็นกันที่ไหนก็โอ้ยช่วยกัน สงสารตัวเองเป็นก็สงสารคนอื่นช่วยตัวเองไปช่วยคนอื่นเป็นไม่ปล่อยกันทิ้งน้องจอที่อ่านคกล่าวของสอประชาชาติเอาประกุณเรื่องพุทธจะจชยันตีจะหลง6สองขันหร้อยปีที่ประเทศสันลัดออเขาก็พูดดีนะ ให้อาจารย์นิชินอ่านให้ฟังคือพูดดีเข <c oughs> ก็พูดดีแล้วคำกล่าวของนายบันคีมุลก็ในโอกาสที่ปีนี้เป็นปีพุทธยันตีสองพันหร้อยปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเนื่องจากปี 2,555 นี้เป็นปีที่เฉลิมฉลองปีพุทธยันตีหรือ 2,600 ปีแห่งการตรัจลูของพระเิดเจ้าซึ่งประเทศที่มีการนับถือพุทธศาสนาจะมีการเฉลิมฉลอง SIU จึงของนำถ้อยแถลงของนายบันคีมุลเลขาธิการ แห่งองค์การสหประชาชาติที่แถลงเมื่อวันที่16พฤษภาคมพฤษภาัราที่ประเทศสหรัฐอเมริกามาแปลและก็เรียบเรียงโดยมีเนื้อหาดังนี้แนวเล็บขออธิบายให้แฟนๆของไอเอเข้าใจเพิ่มเติมว่าประเทศที่นับถือพระพุศาสนา ฉลองปีพฤศจกัราส2555ส่วนใหญ่ฉลองแล้วเมื่อปี2554เพราะนับปีพศ .1 ตั้งแต่พระเจ้าปรินิพานเลยต่าง ก, กันกับของประเทศไทยปีหนึ่งที่นับเริ่มปีพศ .1 ห, หลังจากพระเจ้าเสด็จดับขันปรินิพาน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 ทำให้ผมนึกถึงคำคำหนึง่งซึ่งเป็นหัวใจสำคัญขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติในวงเล็บยูเนสโกที่ว่าเมื่อสงครามเกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย์เราไปในจิตใจของมนุษย์เราก็พยายามดิ้นรนสแสวงหาความสงบในโลกของเราที่เต็มไปด้วยสงครามและความขัดแย้ง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 ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ทุกๆวันนี้ก็ได้ไปจรนแล้วว่าสิ่งที่ท่านได้ตับเตือนนั้นเป็นความจริงเราเห็นการเชื่อมโยงการทั้งการเดินทางทางอากาศบนโทรศัพท์มือถือหรือแม้กระทั่งในสื่อของสังคมออนไลน์พวกเรารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน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 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จ ส, สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการเตือนตัวเราเองทุกๆคนให้รู้ซึ้งถึงคำสอนที่ท่านได้เคยพร่ำสอนเราให้เราได้มีความเคารพซึ่งกันและกันในทุกๆศาสนาและทำให้เราได้กระทำการเพื่อประโยชน์เพื่อสันติสุขของคนทางปวง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 ต่างๆเช่นประเทศอินเดียสีลังกาเป็นต้นทงนั้นมีชื่อเรียกว่าทงฉับพันตรังสีคำกล่าวฉับพันตรังสีแปลว่าลัศมีหประการซึ่งสีที่ปรากฏอยู่บนทงมีความหมายอยู่ในตัวดังนี้ 1. สีเขียวหรือว่าสีน้ำเงินในวงเล็บนีละ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 สสีแดงในวงเล็บโลหิตะแดงเหมือนตะวันอ่อนหมายถึงพรแห่งการอธิษฐานจิตตั้งใจมั่นให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตโดยการประพฤติตามหลักธรรมพรวินัยโดยทายอมรักษาผู้ประพฤติธรรมเป็นนิส 4. สีขาวโอทาตตะขาวเหมือนแผ่นเงินหมายถึง ความบริสุทธิ์สาดหมดจดบริบูรณ์ที่มีอยู่แล้วของพระธรรมที่ได้พิสูจน์แล้วสามารถน้อมนำมาใช้ได้จริงเพื่อให้พ้นทุกข์ได้อย่างไม่จำกัดการ 5. สีแสดมัชเชษทะสีหงสบาทแสดเหมือนดอกงอนไก่หมายถึงพระปัญญาญาณ ขององค์สมเด็จสัมาวถเจ้าที่สามารถจะค้นพบหลักสัจธรรมและพุทธวิธีในการสอนให้ผู้อื่นได้เกิดดวงตาเห็นธรรม 6. สีประพัสสอนในวงเล็บประพัสสะเรื่องพลายเหมือนแก้วผลึกหมายถึงความรู้แจ้งที่รวมเอาไว้ทั้ง5ข้อแรกเอาไว้ด้วยกันเป็นการบอกว่า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 พระพุทธเจ้าในทุกๆพระองค์ได้ทรงแสดงพระปิธรรม7จัดคำภีเมื่อพระพุทธองค์ได้แสดงเริ่มตั้งแต่พระคำมีีร์ที่1ถึงหนะเช่นประสังคณีนะวิพังคปะปกรณนะ์ธาตุคถาเ่อปุกคละบัญญัตนะิคถาวัตถุปรกรณนะ์ยมกปรกรณ์ เป็นการแสดงให้รู้สภาพธรรมต่างความเป็นจริงของปรนะวัตสภาวะธรรมทั้งปวงลัทธิมีทั้งหลายนะก็ไม่ได้แทรนออกไปจากพระสรีละแต่เมื่อทรงแสดงคำพีที่เจนะ็ดเรียกว่ามหาประฐานอันเป็นพระวิธรรมประเสริฐยิง่งนะเริ่มพิจารณาว่าเห hey, ตุปั จ, จโยอาลา ม, มนาปั จ, จโยนะ อวิกะตะทป จ, จะโยดังนี้นะด้วยสัพพันตยยานของพระองค์ของทุกๆพระองค์ฉับพันทลังสีที่สร้างออกมาหลังจากที่ทรงพิจารณาอาวิธรรม7กคัมภีร์เมื่อมาถึงคัมภีร์ของมหาปฐฐานสีหสีเจบแล้วครับหลวงพ่อกลาเป็นสีต่างๆชับพันทลังสีเนาะ กลับมาพร้อมกัน